วันขึ้นปีใหม่นี้เป็นวันสิ้นปีและมอริสยังคงหลับอยู่บนเตียงของเขาทัานใดนั้นได้มีเสียงเคาะที่หน้าต่างเขาสะดุ้งตื่นขึ้นเฮ้มอริสออกมาข้างนอกแล้วตื่นได้แล้วแต่ว่าวันนั้นยังไม่มาถึงเลยนะแล้วข้างนอกก็หนาวมากด้วยอ๋มันใกล้จะเช้าแล้วนะสิพวกเรามีงานต้องทำหลายอย่างเลยงานเหรอ นายเป็นใครแล้วนายต้องการให้ฉันทำงานอะไรกันตอนนี้ฉันคือปีใหม่และฉันจะนำความสุขมามอบให้กับทุกๆคนแต่ว่าฉันเดตัวเล็กเกินคูจะดึงรถลากไม่ไหวนายมาช่วยฉันหน่อยได้ไหมแต่ฉันยังอยากอยู่บนเตียงอุ่นๆของฉันแล้วก็ยังง่วงอยู่ด้วยอ่ะพวกเรารออีกสักหน่อยไม่ได้เหรอ ไปตอนเช้าได้ไหมฉันสัญญาเลยนะท่านนายมากับฉันตอนนี้นายจะมีความสุขขีสุดในชีวิตของนายเลยขอร้องล่ะมากับฉันเถอะก็ได้มาริสรีบตื่นและแต่งตัวแล้วออกมาข้างนอกซึ่งปีใหม่ตัวน้อยกําลังรอเขาอยู่ไงรถ ส, สวยดีนะอ่านว่าความรักและความเมตตางั้นเหรอ นี่เยี่ยมไปเลยนะโอ้รีบมากับฉันเร็วเขา้ามันก็จะดีกว่านี้อีกนะถ้าหากนายช่วยฉันลากมันได้ไหมแน่นอนดังนั้นปีใหม่จึงมอบเช็คอีคา้์ให้กับมอริสลากรถลากช่วยเขาพวกเขาช่วยกันลากรถผ่านถนนที่เต็มไปด้วยหิมะจนมาถึงบ้านของโจนี่มันบ้านของโจเนี่เขาเป็นคนสวนของบ้านเราเขาไม่มีลูกนี่นะอันที่จริงเขายังไม่มีครอบครัวเลย ทำไมเรามาที่นี่กันล่ะนี่ทําให้เรามาที่นี่ยังไงล่ะนี่มันวันปีใหม่นะเราไม่สมควรทําให้ชายคนนี้รู้สึกดีอย่างนั้นเหรอไม่มีใครสมควรอยู่ส่งท้ายวันปีเก่าๆอย่างเงาๆหรอกนะก็จริงนะแล้วนายอยากให้ฉันทํำยังไงทางไปบ้านเขามีแต่หิมะเต็มไปหมดพวกเราคงไปที่นั่นไม่ได้แค่นายตักมันฉันจะหาอะไรบางอย่างเพื่อมอบความสุขให้กับเขาอืมมาดูกัน ซึื้อโค้ชกับผ้าผันคออันใหม่อาหารเยน็นในวันปีใหม่กับอาหารเช้าแสนอร่อยรองเท้าคู่ใหม่พวกนี้ก็น่าจะดีใช่ไหมละ่ะแต่ว่าพ่อเพิ่งเอาชุดโค้ตตัวใหม่ให้เขาแต่ไม่ว่าเขาหรือทุกๆคนก็ชอบเขาใหม่ทั้งนั้นแหละในฤดูเัศกาลแบบนี้อืมจริงด้วยฉันว่าของขวัญที่นาจะเอาให้เขาก็ดูน่ารักดีนะดังนั้นมอริสจึงก็ยิ ม, มาออกจากประตูหน้าบ้านของโจ ในขณะที่ปีใหม่รวบรวมของขวัญและนำไปวางไว้ที่หน้าบ้านของโจเราจะไม่กดกรีงหน่อยเหรอโอ้ไม่อย่ารบกวนเขาเลยเราจะเอาของพวกนั้นไปวางไว้ในห้องเล่นของเขาดังนั้นปีใหม่จึงปีนเข้าไปในบ้านผ่านหน้าต่างและวางของขวัญไว้บนโต๊ะของโจเมื่อบริ s เชนเขาทําดังนั้นเขาก็แค่รู้สึกตื่นเต้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแคาคิดว่าโจจะมีความสุขแค่ไหนเมื่อได้รับของขวัญ นั่นก็ทำให้หัวใจของมอริสพองโตไปได้วยความสุขมันอธิบายไม่ได้แต่มันรู้สึกพิเศษมากจริงๆถัดมาปีใหม่ก็มุ่งไปยังบ้านของเบสซี่นี่บ้านของเบสซี่นี่เธอเป็นคนเย็บผ้าให้แม่ฉันเราจะเอาอะไรให้เธอดีเบสซี่ไม่สบายมาสองสามวันพวงดอกไม้สวยๆและช็อกโกแลตในวันปีใหม่คงทำให้เธอมีความสุขได้ว่าไหมใช่แล้ว นนั่่ต้องเเยยยียมไปลดังนั้นปีใหม่จึงปีนเข้าไปผ่านหน้าต่างอีกครั้งและว่างพวงดอกไม้สีชมพูที่งดงาม mm hmm. เกินกว่าที่คุณจะเคยพบกับช็อกโกแลตขนาดใหญ่ไว้บนเตียงของเธอมันทำให้มอริสรู้สึกวิเศษอย่างมากเหมือนก่อนหน้านี้แค่เขาคิดว่าดอกไม้และช็อกโกแลตจะทำให้เบสซี่มีความสุขแค่ไหนมันก็เหมือนกับเขาเป็นคนได้รับดอกไม้และช็อกโกแลตเองแล้ว ปีใหม่และมอริสเดินทางไปทั่วเมืองเพื่อมอบของขวัญให้กับผู้คนมากมายมันดูเหมือนปีใหม่จะรู้ว่าค น, อ, นอื่นต้องได้รับอะไรจึงจะมีความสุขแต่ไม่ว่าเขาจะมอบของขวัญไปมากเท่าไหร่รถลากก็ไม่มีวันว่างเปล่าเลยทำไมรถลากของนายมีของขวัญเต็มตลอดเลยไม่ว่านายจะเอามันออกมาแค่ไหนอ๋อความรักและความเมตตาไม่มีวันลดลงหรอกนะไม่ว่านายจะมอบมันออกไปแค่ไหน ยิ่งนายมอบความรักและความเมตตาออกไปมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นและนายก็จะมีความสุขมากขึ้นอีกนะมาริสมอริสตื่นได้แล้วลูกอมครับอะไรเหรอี่เป็นเช้าวันปีใหม่ตื่นเร็วลูกรักเช้าวันปีใหม่ปีใหม่ตัวน้อยนั่นรถลากแห่งความรักและความเมตตาอะไรเหรอสุขสัร์วันปีใหม่ครับแม่ ยิ่งแม่มอบความรักและความเมตตามากเท่าไหรมันก็ยิ่งจะเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นและมันจะทําให้แม่มีความสุขมากขึ้นขอบคุณที่ปลูกผมนะครับผมจะทําให้มันเป็นวันปีใหม่ที่สนุกที่สุดในโลกเลยมอริสแต่งตัวและนําเงินเก็บเล็กน้อยจากหมูออมสินของเขากับช็อกโกแลต ท, ที่คุณลุงมอบให้แล้วออกจากบ้านไปเงินเก็บของเขาไม่มีพอที่จะซื้อชุดโค้ดเขาซื้อไข่และแพนเค้กจากร้านเบเกอรี่แล้ววิ่งไปที่บ้านของโจ โอ้วันดีมอริสมาที่นี่ทำไมเหรอวันนี้เป็นวันหยุดของฉันนี่ผมรู้ครับแต่ผมมีของจะให้คุณอาหารเช้าในวันปีใหม่ของคุณผมคิดว่าคุณคงจะชอบไข่และเคยได้ยินคุณเล่าให้ผมฟังว่าคุณชอบแผนเค้กราดน้ำผึ้งกับอบเชยฉันรักแผนเค้กราดน้ำผึ้งกับอบเชยขอบคุณนะนายช่างคิดจริงๆกว่าหลายปีแล้ว ที่ไม่มีใครรู้ว่าฉันชอบอะไรแล้วก็ไม่มีใครซื้ออะไรมาให้ฉันเลยมันมีความหมายมากเลยนะขอบคุณมากจริงๆขอบคุณตีใหม่ตัวน้อยนั้นพูดถูกความรักและความเมตตาเป็นสิ่งที่ทำให้มีความสุขที่สุดในโลกต่อมามอริสมาถึงบ้านของเบสซี่พร้อมกับช็อกโกแลตและดอกไม้ไงมอริสวัน ด, ดีเบสซี่ดีขึ้นหรื อ, อยัง เธอคงแย่สินะที่ต้องมาป่วยในวันปีใหม่แบบนี้ออใช่แล้วล่ะแต่มันก็ดีขึ้นมากนะที่มีเคยมาเยี่ยมแบบนี้นะเออฉันเอานี่มาให้เธอออน่ารักมากเลยมอริสขอบคุณมากเลยนะสุขสรรวันปีใหม่นะเบสซี่บางทีฉันอาจมาเล่นเกมรูโดหรือว่าเล่นอะไรกับเธอวันหลังนะออ นั่นคงดีขึ้นไปเลยฉันเบื่อม า, มากๆแล้วที่ต้องมานอนติดเตียงทั้งวันแบบนี้แกมคงช่วยฉันดีขึ้นมาได้สักหน่อยแล้วนะเบสซี่ดูมีความสุขมากและเมื่อเห็นเธอมีความสุขมอริสก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้นจากนั้นมอริสก็แบ่งปันความรักและความเมตตาให้กับเพื่อนๆของเขาแม้แต่กับคนแปลกหน้านั่นทาให้เขาเป็นเด็กชายที่มีความสุขที่สุดในเมือง